ที่จริงหลวงพ่อเทศมันไม่ยากนะแต่ถ้าไม่เคยฟังเลยก็เข้าใจยากนิดนึงมันขัดกับสิ่งที่เราเคยเรียนรู้เราเคยเรียนรู้รว่าถ้าจะปฏิบัติธรรมกาต้องไปนั่งสมาธิ เ, เดินจงกรมจริงสิ่งเหล่านั้นเป็นแค่รูปแบบของการปฏิบัติเท่านั้นเองตัวสำคัญก็คือจิตที่จะไปปฏิบัติมันถูกต้องหรือเปล่า ถ้าจิตของเราไม่ถูกต้องนะไปนั่งสมาธิมันก็ทำสมาธิผิดเป็นมิจฉาสมาธนะิหรือไปทำสมาธิได้แต่ความสงบจิตไม่ตั้งมั่นไม่สามารถเจริญปัญญาได้ส่วนให ญ, ญ่ก็ชีว่าการปฏิบัตินะั้นต้องไปนั่งไปเดินนมะ่นแค่รูปแบบที่หลวงพ่อสอนเนี่ยจะไม่ได้บอกให้ทำแบบไหน ใครจะปฏิบัติแบบไหนนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัววิธีปฏิบัติถึงมีมากมายอย่างการทําสมถะในตาํารามีทั้ง40สวิธีนอกตาํารามีอีกเยอะแยะเลยนับไม่ถ้วนการทําทวิปัสสนามีทั้งสามแนวทางหลักใช้สมาธินําปัญญาใช้ปัญญานําสมาธิใช้สมาธิและปัญญาควบกันไปฐานของการรู้ มีตั้ง4ฐานฐานของกายฐานของเวทนาฐานของจิตฐานของธรรมอารมณ์วิปั ส, สนาวิปั ส, สนาภูมิมีตั้งหลายแบบการแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกไปนะแยกได้หลายแบบแยกเป็นขันห้าก็ได้แยกเป็นอายตนะหก็ได้แยกเป็นธาตุสิก็ได้แยกเป็นอินทรีย์22ก็ได้เลยจะดูในมุมของปฏิจจสมุ ป, ปบาท มุมของอริยสัจก็ได้งั้นเวลาที่แต่ละคนจะลงมือปฏิบัติเนี่ยมันมีวิธีการให้เลือกเยอะแยะเลยแต่ไม่ใช่เลือกตามใจชอบต้องดูจริตนิสัยเงินบางที่เขาก็สอนให้พุทโธมาพิจารณา ก, กายอะไรเงี้ยบางที่ก็บอกให้ดูท้องพองยุบ ที่ก็ให้รู้ลมหายใจอาณาปนานสติส6บขั้นอะไรเงี้ยนั่นเป็นวิธีการนะนเราต้องมาดูก่อนว่าหลักของการปฏิบัติจริงๆเป็นยังไงหลักของเราแม่นจิตใจของเราดำเนินถูกต้องแล้วก็ไปเลือกรูปแบบที่พอดีพอดีกับเราถ้าจิตใจไม่ถูกต้องไปทำรูปแบบมิเศษวิโสแค่ไหนนะมันก็ผิดหมดะ อย่างจะเจริญวิปัสนาไปรู้ลมหายใจไปรำอานาปานสติแล้วจิตไปเพ่งอยู่กับลมหายใจยังไงมันก็ไม่เป็นวิปัสนาจะไปดูท้องพองยุบบอกว่าเป็นวิปัสนาชอบอ้างคำว่าวิปัสนาพูดถึงคํำวิปัสสนากันเยอะไปดูท้องพองยุบว่าทําวิปัสนาจิตไหลไปอยู่ที่ท้องจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องยังไงมันเป็นสมถะไ ม, ไม่เป็นวิปัสนา เดินจงกรมนะ่ยยกเท้าย่างเท้าจิตไปอยู่ที่เท้ายังไงก็เป็นสมถะไม่เป็นวิปัสสนะจะดูจิตดูใจจิตเป็นนิ่งอยู่ที่จิตไมก่กระดุกกระดิกเลยเพ่งอยู่ที่จิตอย่างเดียวยังไงก็เป็นสมถะไม่เป็นวิปัสสนาแต่ถ้าจิตถูกต้องจะทำกรรมฐานอะไรจะรู้รูปชนิดไหนจะรู้นามชนิดไหนมันก็เป็นมิปัสสนาได้ถ้าจิตมันถูกต้อง จิตที่ถูกต้องและมีสติและมีสมาธิชนิดที่เรียกว่าความตั้งมั่นไม่ใช่แค่สงบสงบมีมาก่อนพระพุทธเจ้าสมาธิชนิดตั้งมั่นหายากมีมาในคำสอนของพระพุทธเจ้าจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานี่ถ้ามีสติระลึกรู้รูปนาม รู้ด้จิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางนี่คือจิตมีสมาธิถูกต้องมันก็จะเห็นความจริงของรูปนามอย่างพอจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสติไประลึกรู้ร่างกายที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่ปัญญามันจะเกิดทันทีมันจะเห็นในร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ได้คิดเอาเรื่องไตรลักษณ์ะฉะนถ้าไตรลักษณ์ยังคิดเอาไม่ใช่วิปัสสนานะ ต้องเห็นเอามิปัสนาไม่ได้แปลว่าคิดเอาบางคนก็สอนกันเพี้ยนๆว่ามิปัฏนานต้องคิดเอาปัสฐานว่าการเห็นวิแปลว่าเห็นแจ้งเห็นถูกต้องเห็นตรงตามความเป็นจริงเห็นกายตรงตามความเป็นจริงก็คือกายเป็นไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาเห็นจิตถูกต้องตามความเป็นจริงก็คือจิตเป็นไตรลักษณ์เป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตา คิดเอาว่าร่างกายเป็นปฏิกูนาสุภาพนี้คิดเอาไม่ใช่วิปัสสนาคิดมันเป็นวิตกมันไม่ใช่วิปัสสนามีวิเหมือนกันมันเป็นวิตกเป็นการตรึกเอาคิดเอาเนื้อใจจะต้องตั้งมั่นถ้าใจตั้งมั่นนะสติระลึกรู้กายมันจะเห็นกายมีแสดงใจรักเลยสติระลึกรู้ความรู้สึกสุขทุกข์ทางกายก็จะเห็นความรู้สึกสุขทุกข์ทางกายสแสดงใจรัก ถ้าจิตตั้งมั่นอยู่เป็นกลางสติระลึกรู้ความสุขความทุกข์ความเฉยๆทางใจก็จะเห็นความสุขความทุกข์ความเฉยทางใจแสดงไตรลักษณ์เช่นความสุขมาแล้วก็หายไปความทุกข์มาแล้วก็หายไปหรือเห็นกุศลอกุศลที่เกิดขึ้นทางใจถ้าจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่มันจะเห็นในความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามา เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นคราวๆแล้วก็ดับไปไม่ใช่จิตหรอกเป็นแค่สภาวะธรรมอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอะไรที่จิตไปรู้เข้านะไม่ใช่คนไม่ใช่สันไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรอกมันของถูกรู้ถูกดูทั้งหมดเลยไม่เป็นรูปธรรมก็นามาทำทั้งหลายดังนั้นตัวสําคัญมากเลยก็คือการที่เรามีจิตที่ตั้งมั่นที่มันมีสติระลึกรู้รูปนํา ก็รู้รูปนามด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางปัญญาถึงจะเกิดปัญญาเกิดแล้วปัญญาแก่รอบมากผลถึงจะเกิดเข้าสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นไปเป็นลําดับลําดับพระเจ้าถึงบอกบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยสติด้วยสมาธิไม่ใช่ด้วยฐานด้วยศีลสิ่งเหล่านั้นเหมือนบันไดขั้นแรกๆส่งทอดเราไปจนเกิดปัญญา ดนั้นตัวสําคัญมากนะพวกเราต้องฝึกให้มีสติตัวหนึ่งก่อนแล้วให้จิตตั้งมั่นอีกตัวหนึ่งก่อนระหว่างสติกับจิตตั้งมั่นควรจะฝึกอะไรก่อนจิตเป็นใหญ่จิตเป็นหัวหน้าจิตเป็นประธานในธรรมทั้งปวงเรามาฝึกจิตก่อนมาหัดฝึกจิตให้ดีวิธีที่จะฝึกจิตนะก็อาศัยสติเหมือนกัน เบื้องต้นอาจจะหัดพุทโธหัดหายใจอะไรเนี่ยพุทโธไปหายใจไปแล้วจิตมันเคลื่อนจิตมันหนีวิคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งไปเพ่งอย่างบางทีรู้ลมหายใจนะจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจนี่เรียกว่าไปเพ่งไปดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องอันนี้เรียกว่าไปเพ่งท้องไปเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้า น, นี้เรียกว่าไปเพ่งเท้า ถ้าจิตไหลไปเพ่งให้รู้ทันว่ามันไหลไปเพ่งแล้วจิตไม่ตั้งมั่นจิตไหลไปมันจะมีระยะทางระหว่างตัวรู้กับอารมณ์เช่นลมหายใจนะกับจิตนะมันอยู่คนละที่กันพอจิตไปเพ่งนะจิตก็เคลื่อนเข้าไปเกาะอยู่ที่ลมหายใจไปรวมเปน็นเดนเดียวกันเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นเนียจิตไปตั้งแช่นิ่งๆอยู่กับอารมณ์อันเดียวก็ค่อยๆฝึกนะ ให้รู้ทันจิตที่ไหลไปจิตไหลไปนั้นไหลไปสองแบบนัอันแรกไหลไปเพ่งไปเพ่งนี่นักปฏิบัติชอบไหลไปเพ่งส่วนคนที่ไม่ได้ปฏิบัติหรือนักปฏิบัติที่ขาดสติจิตจะไหลออกนอกไปไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปดมกลิ่นไหลไปริมรสไหลไปรู้สัมผัสทางกายไหลไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจ เวลาเราดูอะไรนะจิตเราก็ไหลไปสูท่ที่ที่เราดจูจิตเราไม่อยู่ต่างหากอย่างเราเห็นคนเดินอยู่คนละฝั่งถนนเรามองไปเห็นคนคนนี้รู้จักจิตเราไหลไปอยู่ที่เขาจิตเราข้ามถนนไปละเวลาเราไปดูพระจันทร์ทันทีที่เงยหน้าไปดูพระจันทร์สนใจมีจันทร์ทะลุปราคาจิตไหลไปถึงพระจันทร์ละจิตมเคลื่อนไป ใช้เวลาสั้นนิดเดียวนะเพราะนั้นจิตนี้เคลื่อนที่เร็วกว่าแสงอีกลำพังแสงยังข้ามมิติไม่ได้ความเร็วไม่พอนะแตจิตข้ามมิติได้เพราะมันเร็วกว่าแสงเพาะนั้นจะข้ามพบข้ามภูมิอะไรเนี่ยร่างกายข้ามไปไม่ไหวแต่จิตข้ามไหวล้วไปลงนรกเนี่ยยาอวากาศเขาไปไม่ได้แตจิตไปได้มันเร็ว เวลาเราไปดูนะจิตจะไหลไปที่ที่เราดูใครเคยดูพระจันทร์บ้างมีไหมสังเกตไหมเวลาเราดูนะตั้งไกลใช่ไหมใจวิ่งปุ๊บเดี๋ยวถึงเลยใจไปดูโอ้พระจัยยงงนทร์สวยอย่างนู้นสวยอย่างนี้พระอาทิตย์ขึ้นแดงๆเช้าๆเวลามาวัดตอนเช้าๆเห็นพระอาทิตย์แดงๆไหมมองได้ด้วยตเาเปล่ขาขณะที่มองนะจิตไหลถึงพระอาทิตย์เลย แสงเดินทางมาหลายนาทีนะจิตถึงปุ๊บเลยถ้าจิตเราเคลื่อนไปเรารู้ทันะจิตเราเคลื่อนไปเนี่ยเคลื่อนไปดูให้รู้ทันเคลื่อนไปฟังก็ให้รู้ทันมันเคลื่อนเร็วมากเลยอจิตนี่รวดเร็วพระเจ้าถึงก็ออกปากบอกจิตนะดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนจิตนี้อาศัยอยู่ในกายนะเที่ยวไปรวดเร็วเที่ยวเร็ว จะไปดาวดวงอื่นก็ใช้เวลาแว บ, บเดียวนะถ้าเราหลับตาแล้วเราคิดถึงดวงอาทิตย์ปุ๊บจิตก็ถึงเลยนะถึงไม่ไม่ลืมตานะจิตคิดก็ไปถึงได้เวลาเราคิดถึงคนที่ตายไปแล้วใครเคยคิดถึงคนที่ตายไปแล้วบ้างตายแล้วไปอยู่ไหนไม่รู้นะคิดถึงปุ๊บเนี่ยจิตก็เคลื่อนถึงเลยนะถ้าจิตมีพลังพอนะ ถ้าจิตไม่มีพลังก็ไหลไปคิดถึงอดีตคิดถึงอะไรใจิตมันจะเคลื่อนได้ถ้าจิตเคลื่อนไปดูรู้ว่าจิตเคลื่อนไปดูจิตก็จะตั้งมั่นจิตเคลื่อนไปฟังรู้ว่าจิตเคลื่อนไปฟังจิตก็จะตั้งมั่นจิตเคลื่อนไปดมกลิ่นจิตจิตเคลื่อนไปลิ้มรสจิตเคลื่อนไปรู้สัมผัสทางกายจิตเคลื่อนไปคิดนึกทางใจถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตจะตั้งมั่น เคลื่อนทางใจเกิดบ่อยที่สุดหลับตาอยู่จิตที่ก็เคลื่อนได้เราไม่ต้องเห็นดวงอาทิตย์ตัวจริงเนี่ยตอนนี้มีเมฆเยอะไม่เห็นดวงอาทิตย์ตัวจริงเราหลับตาเรานึกถึงดวงอาทิตย์จิตก็เคลื่อนไปที่ดวงอาทิตย์ได้จิตเคลื่อนไปอดีตจิตเคลื่อนไปอนาคตจิตปรุงไปได้ตลอดเวลาให้เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนนะระหว่างจิตที่ดูจิตที่ฟังจิตที่คิดจิตที่คิดเนี่ยเกิดบ่อยที่สุด จิตที่ดูจิตที่ฟังนี่รองลงมาถ้าตามไม่บอดนะจิตดูก็เยอะหน่อยถ้าหูไม่โหนกจิตฟังก็เยอะหน่อยแต่จิตคิดเนี่ยคิดตลอดคิดทั้งวันคิดทั้งคืนคิดทั้งตื่นคิดทั้งหลับคิดตอนหลับเรียกว่าฝันใครเคยฝันบ้างมีไหมยกมือสิเคยเกือบทุกคนพวกที่เหลือหลับอูตุฝ <laughs> ันแล้วไม่รู้เรื่องจริงๆ จ, จ, จิตหลับแป๊บเดียวนะ แ้วมันจะขึ้นมาทํางานนะบางที่เคลื่อนเคลื่อนทํางานเรียกว่าฝันนะเวลาจิตเคลื่อนไปให้พวกเราคอยรู้นะเคลื่อนมีสองแบบนะอันหนึ่งเคลื่อนไปเพ่งเคลื่อนไปเพ่งหมายถึงเคลื่อนไปหยุดอยู่กับอารมณ์มันเดียวเช่นเรารู้ลมหายใจจิตไปอยู่ที่ลมหายใจนี่เคลื่อนไปเพ่งเรารู้ท้องผ่องยกจิตไปอยู่ที่ท้องนี่เรียกว่าเคลื่อนไปเพ่ง ไปเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้าเรียกนะว่าเคลื่อนไปเพ่งขยับมือทําจังหวะเนี่ย จ, จิตไปอยู่ที่มือเรียกว่าเคลื่อนไปเพ่งอีกอย่างหนึ่งหลงไปเคลื่อนไปแบบหลงหลงหลงไปดูเคลื่อนไปเวลาหลงไปดูจิตก็เคลื่อนไปดูหลงไปฟังถ้าจิตก็เคลื่อนไปฟังหลงไปคิดจิตก็เคลื่อนไปคิดให้รู้ทันจิตที่หลงเคลื่อนไปนะหรือจิตไปเพ่งอยู่ให้รู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปเพ่ง เวลาจิตจะหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้รู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อไหร่รู้ว่าจิตเคลื่อนที่ไปจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องรักษาไว้ไม่ต้องสั่งเกิดเองเลยเงั้นบางทีครูบาอาจารย์จะสอนกรรมฐานพวกเรานะฝึกให้จิตตั้งมั่นก่อนนี่แหละคือการฝึกสมาธิที่แท้จริงสมาธิที่ฝึกฝึกกันนั้นส่วนใหญ่เกือบทั้งหมด เกือบร้อยละร้อยคือมิจฉาสมาธิสมาธิที่จิตไปเคลิ้มไปนิ่งอยู่กับอารมณ์ัเดียวจิตใจไม่ไม่เป็นอิสระถ้าเราจะฝึกสมาธิที่จิตตั้งมั่นใช้เดินตัญญาได้เราไม่ฝึกน้อมจิตให้ไปอยู่ในอารมณ์ันเดียวไม่ใช่ไปรู้ลมหายใจก็น้อมไปอยู่กับลมดูท้องพองยุบให้จิตน้อมไปอยู่กับท้องอันนี้จิตเคลื่อนหมดเลยไม่มีสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่น ท้าเไรเรารู้ว่าจิตเคลื่อนจิตจะตั้งมั่นนี่เป็นกฎนะเป็นกฎของธรรมะถ้ารู้ว่าจิตเคลื่อนไปนะจิตจะตั้งมั่นจิตเคลื่อนไปทําอะไรมากที่สุดอยู่ในชีวิตธรรมดาอย่างนี้จิตเคลื่อนไปคิดมากที่สุดเพนั้นถ้าหากพวกเรารู้ได้นะว่าจิตเคลื่อนไปคิดจิตจะตั้งมั่นเดี๋ยวก็คิดอีกรู้อีกก็ตั้งขึ้นอีกคิดอีกรู้อีกก็ตั้งขึ้นอีกจนถ้าสติเราเร็วนะจิตเคลื่อนปั๊บรู้ปั๊บรู้ปั๊บรู้ปั๊บรู้ี่ย ความตั้งมั่นนี่จะค่อยๆเหมือนกับรู้สึกว่าต่อเนื่องหลวงพ่อใช้คําว่าเหมือนรู้สึกว่าต่อเนื่องที่จริงความตั้งมั่นนั้นเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับทีละขณะทีละขณะมันเป็นคณิกะสมาธิตั้งได้ชั่วขณะเท่านั้นประมาณเจดขณะตั้งตั้งขึ้นมารับอารมณ์แล้วก็ดับไปแล้วก็ตั้งใหม่นี้เราฝึกบ่อยๆจิตไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้ฝึกให้ชํานาญ เราจะได้จิต ท, ที่ตั้งมั่นขึ้นมาจิต ท, ที่มีสมาธิที่จะใช้เจริญปัญญาตัวนี้สำคัญที่สุดเลยผู้ปฏิบัติเกือบทั้งหมดเลยนะไม่มีจิต ท, ที่ถูกต้องเพราะงั้นถึงจะไปปฏิบัติอะไรนะก็ทำวิปัสนาไม่ได้ที่บอกว่าจะทำมิปัสนาทำวิปัสนาส่วนใหญ่ทำสมถะเพราะอะไรเพราะจิตไม่มีคุณภาพพอจิตไม่ตั้งมั่น แนอภิธรรมบอกว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสมาธิที่จะทําให้เกิดปัญญาเนี่ยต้องสมาธิชนิดตั้งมั่นถึงจะเกิดวิปัสสนาปัญญาถ้าสมาธิจดจอ่ออยู่กับการเรียนหนังสือก็ทําให้เกิดปัญญาในการเรียนหนังสือแต่ถ้าสมาธิตั้งมั่นแล้วจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูรูปนามมันทํางานเนี่ยถึงจะเกิดวิปัสสนาปัญญาะ ก็จะมีสติรู้รูปนาํามีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นฝึกให้ได้จิตตัวนี้ก่อนนะพอได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยขณะที่เราฝึกเพื่อจะให้มีจิตผู้รู้เนี่ยมันได้ฝึกสติไปในตัวด้วยไม่ต้องหาวิธีการที่จะมาฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวิธีการก็คือทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะคล้ายๆพวกที่ทําสมถะนั่นแหละพวกที่ทําความสงบนั่นแหละ ใครเคยรู้ลมหายใจแล้วจิตไปรวมเข้ากับลมหายใจมีชอบรู้ลมหายใจนะใช้ลมหายใจเป็นฐานไว้แต่ว่าไม่ได้หายใจเพื่อให้จิตไหลไปรวมกับลมหายใจหายใจไปสบายๆจิตไหลไปที่ลมหายใจให้รู้ทันหายใจไปสบายๆไม่ไปเพ่งใส่ลมหายใจนะเอหายใจสบายๆเนี่ยจิตจะหนีไปคิดได้ด้วย บางทีก็ไหลไปรวมเข้ากับลมหายใจให้รู้ทันก็ถอยออกมาเองที่มันหนีไปคิดให้รู้ทันว่ามันหนีไปคิดมันก็หลุดออกจากโลกของความคิดตั้งมั่นขึ้นมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บกบานข้อไหนหัดพุดโทโธ น, นก็พุโทโธไปแต่ไม่ใช่พุโทโธให้จิตนิ่งพุโทโธแล้วคอยรู้ทันจิตที่หนีไปคิดจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตก็จะตั้งมั่น พุทโธพุทโธไปเพ่งจิตให้นิ่งรู้ทันว่ากำลังเพ่งจิตอยู่จิตก็ถอยจากการเพ่งนะก็ higher, มาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมะาดูท้องพ่องยุบแต่เดิมดูท้องพองยุบแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ท้องอันนั้นเป็นสมถะไม่เป็นวิปัสนาะนะเอาใหม่ดูท้องพองยุบแล้วจิตไหลไปที่ท้องรู้ว่าจิตไหลไปไปอยู่กับท้องนะดูท้องพองยุบจิตไหลไปคิดรู้ว่าจิตไหลไปคิดไม่ห้ามการไหล แต่ให้รู้ทันการไหลไปของจิตทันทีที่เรารู้ทันจิตที่ไหลเนี่ยจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัตนะิจะตั้งขึ้นชั่วคราวเดี๋ยวก็ไหลอีกรู้อีกไหลอีกรู้อีกจอกระทั่งมันชนานาญนะมันจะรู้อยู่ได้ทั้งวันเลยจุดนี้เป็นจุดแตกหักเลยนะว่าเราจะภาวนาต่อไปได้ไหมจะเจริญปัญญาต่อไปได้ไหมเมืนะ่อสองสเดือนก่อนนะหลวงพ่อไปเจอครูบาอาจารย์ท่านหนึ่ง ท่านถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อภาวนานอย่างไรหลวงพ่อบอกหลวงพ่อรู้ลมหายใจนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนี้ต่อไปก็พุทโทหายเลือแต่ลมนะลมค่อยตื้นตื้นตื้ น, นขึ้นกลายเป็นแสงสว่างอยู่ที่ตรงเนี้ยรู้ที่แสงสว่างนี้นะแล้วจิตเคลื่อนไปแล้วรู้ทันจิตเคลื่อนไปแล้วรู้ทันจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ท่านบอกถ้าอย่างนั้นก็อันเดียวกันแต่ของท่านไม่ได้ใช้ลมหายใจท่านพุทโทพุทโทอยู่ที่นี่เหมือนกัน พุทโธแต่ว่าตั้งฐานของจิตไว้ที่ปลายจมูกเนี่ยที่จะงอยปากตองต่อกันแถวนี้แล้วค่อยรู้ทันจิตที่หนีไปจิตที่เคลื่อนไปพุโทโธพุโทโธพุโทโธจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อเราได้จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเรียกว่าเราได้สมาธิมาแะ้วสมาธิชนิดนี้ถึงจะตั้งเป็นขณะขณะนะเป็นคณิกาสมาธิก็ใช้ทําวิปัสสนาได้ส่วนอัปนัสมาธิชนิดนที่เคลือบเคลิม้ม เข้าฌานเห็นโน้นเห็นนี้อะไรถ้าเห็นโน้นเห็นนี้ไม่ถึงฌานนะอย่างมากก็อุป จ, จารสมาธิที่เห็นโน้นเห็นนี้ถ้าถึงฌานแล้วก็ดิ่งดิงดงนิ่งลูกเดียวไม่มีสติปัญญาอะไรนะั่นนิ่งลงไปอันเดียวแคนั้นมิจฉาสมาธิอาปนาสมาธิแบบเป็นสัมมาสมาธิก็มีแต่พวกเราฝึกไม่ค่อยได้ก็ฝึกข้างนอกนี้ให้ชํานาญก่อนนะต่อไปเวลาเข้าฌานนี่ก็ทั้งโลกธาตุดับไปนะสติยังไม่ขาดเลย จิตยังตั้งมั่นเด่นดว ง, ส ว, งสว่างสวายรู้เนื้อรู้ตัวไม่ขาดสติเลยถ้าเม่อไรขาดสติเมื่อนั้นใช้ไม่ได้จิตเป็นอกุศลทันทีเลยงั้นสมาธิเนี่ยเกิดร่วมกับจิตอกุศลได้นะสมาธิเกิดกับจิตอกุศลได้ไม่เหมือนสติไม่เหมือนปัญญาที่เกิดกับจิตที่เป็นกุศลเท่านั้นงั้นเรามาหัดทำกรรมฐานนะสักอย่างหนึ่งแล้วจิตไหลไปเรารู้ทันจิตไหลไปรู้ทันฝึกตัวนี้ให้ชํานาญ ในสุจิตเราจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้นะหลวงพ่อตั้งแต่เป็นโยมนะฝึกได้จิตผู้รู้มารู้อยู่ทั้งวันนะจะพลิกซ้ายพลิกขวาจะขยับเขยื้นอนเลยนะรู้สึกอยู่เรืครูบาอาจารย์บางอง์อย่างหลวงปู่สิมนะท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ที่แท้ก็คือจิตเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานจิตเรามีสมาธินั่นเองจิตเราตั้งมั่นไม่ใช่เรื่องของฌานสมาบัตินะเป็น จ, จ, จิต ท, ที่ทรงสมาธิชนิดที่จะใช้เดินปัญญาจริงๆ ขณาดที่เราคอยฝึกว่าจิตเคลื่อนไปแล้วเรารู้ทันเนี่ยตัวที่ใช้รู้ทันความเคลื่อนไปของจิตคือสติงั้นเราจะได้สองตัวมาควบกันอะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตนะเราจะเห็นอย่างรวดเร็วเลยตัวที่เห็นความแปลกปลอมเช่นจิตเคลื่อนไปเนี่ยเป็นความแปลกปลอมที่เกิดขึ้นกับจิตตัวที่รู้ทันตัวนี้คือตัวสติแต่ถ้ารู้ทันความเคลื่อนไปนะจิตจะตั้งมั่น สิ่งที่ได้มาคือสมาธิมันจะได้สติและสมาธิขึ้นมาในตัวสำคัญที่ต้องการให้ฝึกนะคือสมาธิชนิดที่จิตตั้งมัน่นนี่พอเราได้สมาธิที่จิตตั้งมัน่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกปานแล้วเนี่ยจิตจะไม่ไปหลงไปอดีตหลงไปอนาคตนะั้นจะรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันมีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นนี่บางคนพอรู้สึกตัวแล้วไปรู้สึกอยู่เฉยๆไม่เดินปัญญาต่อก็มีนะ รู้ตัวแล้วก็รู้อยู่อย่างนั้นนะรู้่าอยู่เป็นปีๆอย่างนั้นก็มีนะไม่ได้เรื่องนะมันไม่เดินปัญญาต่อสมาธินั้นทํามาเพื่อเป็นเครื่องมือนี่จะใช้เดินปัญญาถ้ามีเครื่องมือแล้วไม่ใช้เครื่องมือไม่ไปเดินปัญญาก็ถือว่าล้มเหลวก็วได้แต่สมาธิได้แต่ความสุขไปเฉยๆแค่นั้นไม่พอนะเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบขนาด น, นี้เราได้พบพระพุทธศาสนาบริสุทธิ์หมดจดขนาด น, นี้ ถ้าเราไปหยุดตัวเองอยู่แค่สมาธิที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยมันตื้นไปมันต่ําไปมีโอกาสที่จะได้ของดีของวิเศษมากกว่านั้นอีกก็คือหัดเจริญปัญญาเนี่ยถ้าจิตเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเนี่ยจิตไม่ยอมเดินปัญญารู้ตัวแล้วเฉยอยู่ต้องกระตุ้นมันให้เดินปัญญาคิดพิจารณาเลยพิจารณากายก็ได้พิจรารณาจิตก็ได้พิจารณาที่ง่ายหน่อยก็พิจาณากายเพราะจิตมันนิ่งสแสดงพิจนายาก ก็พิจารณาร่างกายผมผมไม่ใช่จิตไม่ใช่เรานะผมเป็นสิ่งเป็นวัตถุธาตุเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเวลาพิจารณาก็อย่าเป็นนึกเอาอย่างเดียวนะเรามีผมเนี่ยรูปมันเลยสัมผัสมันเลยสัมผัสนองแตะดูที่ผมสิทุกคนแต่ด้วยความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวแล้วลองสัมผัสที่เส้นผมสิรู้สึกไหมว่ามันเป็นผมของเราถ้าหลงอยู่ในความคิด แตะเข้าไปนะจะเป็นผมของเราแต่ถ้ารู้สึกตัวอยู่แตะลงไปนะมันเป็นแค่วัตถุเท่านั้นเองเป็นรูปประธรรมอย่างหนึ่งเท่านั้นเองเนี่ยเราจะค่อยๆถอนความเห็นผิดว่าเป็นตัวเราออกไปนะไม่ใช่คิดเอาถ้าจิตยังหลงในความคิดไปแตะท่านี้นี่ผมของเราสวยซะด้วยหรือเหม็นสาบไปหน่อยอรย่างนี้นะแต่ถ้าจิตตั้งมนะั่นแตะเข้าไปมันคือวัตถุ มีรูปร่างแบบนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้นะไม่ใช่ของดีของงามอะไรใจเป็นคนดูให้เห็นว่าผมกับใจนี่เป็นขรุนกันนี่คือการหัดแยกรูปแยกนามแล้วนะถ้าแยกรูปแยกนามไม่ได้จเจริญวิปั ส, สนาไม่ได้มันจ ะ, จะเจริญวิปั ส, สนาได้นะอันแรกเลยจิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถัดจากนั้นต้องแยกรูปแยกนามบางคนเคยแยกรูปแยกนามมาแต่ชาติก่อนก พอจิตตั้งมั่นปุ๊บรูปนามแยกเลยมันจะแยกอัตโนมัติเค้มีพระองหนึ่งเล่าให้ฟังตอนท่านเป็นวัยรุ่นท่านเป็นลอยกระทงเขาจุดพลุท่านตกใจมาจุดพลุใกล้ๆตัวท่านท่านไม่ทันระวังพอจิตตกใจเนี่ยสติะระลึกรู้ทันความตกใจจิตดิดตัวผางขึ้นมาเลยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บอกบาน เห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเลยความตกใจกระเด็นหายไปอยู่อีกส่วนหนึ่งหายไปเลยเนี่ยขันมันแยกร่างกายส่วนร่างกายนะจิตส่วนจิตความตกใจก็อยู่ส่วนความตกใจหายไปเลยนะแล้วจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาอันนี้คนมีบารามีเก่าเพราะนถ้าคนมีบารมีเก่าเคยเดินปัญญามาแล้วเนี่ยแค่จิตตั้งมั่นขึ้นมานนขันแยกเลยเพราะฉะนั้นพวกเราบางคนเนี่ย ทันทีที่รู้สึกตัวจิตตั้งมั่นขึ้นมาล้ขันแยกทันทีร่างกายอยู่ส่วนร่างกายร่างกายไม่ใช่จิตความสุขความทุกข์ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ากุศลอนกะุศลเช่นความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าแล้วจิตเองก็แปรปรวนเดี๋ยวก็ไหลเข้าไปรวมกับอารมณ์เดี๋ยวก็แยกออกมาแปรปรวนก็ถูกรู้ได้ด้วยจิตก็ถูกจิตอีกดวงหนึ่งรูนะ้ดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาแสดงบทบาทไป แล้วดวงนั้นดับไปเกิดอีกดวงหนึ่งไปรู้ทันว่าเมื่อกี้จิตเคลื่อนไปนะเมื่อขันมันจะแยกถ้าขันไม่แยกนะไม่เคยเดินปัญญามาในอดีตชาติพอจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานแล้วมันจะตั้งอยู่เฉยๆมันจะไม่ยอมดูกายอยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิตไม่ยอมดูว่าเวทนาคือความสุขทุกข์อยู่ส่วนเวทนาจิตอยู่ส่วนจิตไม่ยอมดูว่ากุศลอกุศลอยู่ส่วนอกุศลอกุศล จิตอยู่ส่วนจิตไม่ยอมดูอย่างนี้ถ้ามันไม่ดูนะต้องกระตุ้นมันนะอาศัยการชิดพิจรารณาดูไปเลยนะผมเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าสัมผัสไปนี่มันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะมันไม่ใช่ตัวเราเหรอกค่อยๆรู้สึกไปนะหรือแขนนี้นะสัมผัสไปมันเป็นท่อนๆลองนวดแขนตัวเองดูข้างนอกนิ่มข้างในแข็งรู้สึกไหมเป็นท่อนๆ น, นะ รู้สึกไหมมันบอกไหมว่ามันเป็นแขนเราแขนไม่เคยบอกเลยนะว่าเป็นแขนเรานะจิต ท, ที่หลงไปบอกว่าเนี่ยแขนเราแต่ถ้าจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งสัมผัสลงไปเนี่ยมันจะรู้สึกทันทีว่าแขนนี้ไม่ใช่เราเหรอกเป็นวัตถนะุที่มันเป็นแขนเราเพราะจิตมันหลงไปในโลกของความคิดถ้าจิตเป็นผู้รู้มันจะไม่ใช่แขนเราอีกต่อไปลวนะมันเป็นเราเขึ้นมาเพราะคิดเอาเอง ความเป็นเราจริงๆไม่มีหรอกงั้นตัวสําคัญเลยนะต้องมีจิตที่เป็นคนดูให้ได้เมื่อมีจิตที่เป็นคนดูแล้วเนี่ยก็ดูธาตุดูขันอย่างดูร่างกายดูไปทีละส่วนทีละส่วนก็ไดนะ้ผมไม่ใช่ตัวเราขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเลแต่ละส่วนแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเรานะสัมผัสตรงไปนวดไปเลยนะคนเขามาดูว่าไม่นึกว่าเราทำกรรมฐานนึกว่าเราขี้เมื่อยนวดทั้งวันนะ นวดนวด น, วดนวดแล้วเราก็รู้สึกอย่าไปเพลินนะนวะสบา ย, ยานี่เหลวไหลเรานวดแล้วเราค่อยรู้สึกไปมันไม่ใช่เราอะนะมันเป็นวัตถุค่อยคอยรู้สึกไปนะใจเราเป็นคนดูเมื่อไหรเราก็มันจะเป็นวัตถุแต่ถ้าใจเราหลงไปคิดนะมันจะเป็นแขนเราเป็นมือเรานะแต่ถ้าใจเราไปเพ่งจะเป็นสมถะนิ่งเฉยๆเห็นไหมแค่แค่นวดมือเนี่ยเป็นได้หลายอย่างนะ ถ้าหลงไปคิดนะก็เป็นมือเรานะถ้าจิตเป็นผู้รู้มันก็เป็นวัตถุเป็นก้อนทานนะถ้าจิตไหลไปรวมเข้าที่มือนี่เป็นการเพ่งมือเป็นสมถะจิตเป็นนิ่งอยู่ที่มือนะนิ่งได้ที่ก็อยู่กันไปเลยนะไม่ได้เรื่องได้ราวอะไร้นะเราฝึกนะค่อยๆฝึกไปขั้นแรกฝึกให้รู้ทันจิตที่ไหลไปนะเพื่อจะได้จิตผู้รู้ เมื่อได้จิตผู้รู้แล้วดูว่าตายกับจิตเป็นโคละอันกันถ้ามันไม่เห็นก็ช่วยมันดูไปทีละอันนะสัมผัสแผงมันเป็นวัตถุหน้าค่อยๆดูไปหรือดูความรู้สึกทางใจก็ได้ความสุขเกิดขึ้นมารู้ทันเห็นว่าความสุขหายไปความสุขกับจิตเป็นโคนละอันกันจิตมันเป็นคนดูความทุกข์เกิดขึ้นนะมีสติรู้ทันความทุกข์หายไปนะจิตมันเป็นคนดูโคละอันกันความสุขความทุกข์กับจิตเป็นโคละอัน กุศลนะกุศลนะเช่นความโลภความโกรธความหลงคนไหนขี้โมโหความโกรธเกิดขึ้นรู้ทันคนไหนขี้โลภความโลภกรธเกิดขึ้นรู้ทันคอยรู้ทันของที่มีบ่อย่างรู้บ่อยๆรู้ทันไปปุ๊บจะเห็นเลยความโกรธเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตหรอกพอเราดูไปที่ความโกรธความโกรธก็หายไปจิตยังเป็นคนดูอยู่อย่างเดิมได้ความโลภเกิดขึ้นเราดูไปที่ความโลภสติระลึกรู้ความโลภปุ๊บความโลภหายไปจิตเป็นคนดูขึ้นมาได้ เนี่คยค่อยๆหัดแยกขนันอาจามหาบวัวบอกถ้าแยกขันไม่เป็นนะอย่ามาอวดเรื่องเจริญปัญญานะไม่ได้เจริญปัญญาจริงหรอกเพราะงั้นอย่างเป็นนั่งคิดพิจารณาอะไรต่ออะไรอยู่นะยังไม่ได้เจริญปัญญานะขันยังไม่แยกจิตต้องตั้งมั่นก่อนจิตตั้งมั่นแล้วก็เห็นกายส่วนกายจิตส่วนจิตเวทนาส่วนเวทนาเวทนาไม่ใช่กา ย, ไ ม, กายไม่ใช่จิตสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วไม่ใช่กายไม่ใช่เวทนาคือความสุขทุกข์ไม่ใช่จิตด้วย ขันจะแยกออกจากกันเมื่อขันแยกได้แล้วเนี่ยขันแต่ละขันจะแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวเราไอ้นี่ไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกสุขทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราความโลภความโกรธความหลงก็ไม่ใช่ตัวเราจิต ท, ที่เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็ไหลไปเดี๋ยวก็ตั้งมั่นก็ไม่ใช่ตัวเราทั้งหมดมีแค่สภาวะนะไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขา เห็นเนืองเือเห็นซ้าแล้วซ้ําอีกในที่สุดจะถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้ถ้าถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้นี่นแหละพระโสดาบันละนะงั้นเราก็ฝึกนะค่อยๆฝึกดูของจริงไปเรื่อยเชิญไปทันเข้านี่หมดเลครับ